ขอความสุขความเจริญจงมีแ่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องในชาดกอีกเช่นเคยชาดกที่จะกล่าวในวันนี้ชื่อว่าวัตกีสุขราชาดกพ็เป็นเรื่องของหมูตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวัตกีมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่า พระเจ้ามหาโกศลซึ่งเป็นราชบิดาของพระเจ้าประเสิทธิโกศล น, นั้นได้ให้พระนางโกศลเทวีหรือพระนางเวเทชิซึ่งเป็นพระราชจติดาใด้เป็นพเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแปนมคก ต, ต่อมาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ถูกพระเจ้าชาตรูจับ ไปขังไว้แล้วต่อมาก็ที่งคดไปพระนางโกสลเทวีหรือเวทีหิก็ตรอมพระไทยแล้วก็สินน้นไปชนไปทำห้พระเจ้าประเสิทธิโกศลจึ่งเป็นลุงของพระเจ้าชาติสตรูมึงกริ้วมากเลยก็ตัดเอาบ้านหมู่บ้าน แห่งหนึ่งชิวกาสิกขามที่พระเจ้ามหาโกศลผู้เป็นพระชนกมอบเป็นของขวัญให้แก่พระราชติดาเอามาคืนได้เลยสำลายยิ่งกว่านั้นก็ยกกองทัพเข้าไปตีมคคเป็นการสั่งสอนหลานชายแต่รบไปรบมาปรากฏว่าพระเจ้าประเรสนโกศลทรงพระชาราลุงไปรบ ก, กับหลาน เรแพ้หลานทุกทีเลยเราทําให้ท่านท้อถอยพระไทยมากเรวก็รู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีจนในที่สุดก็ประชุมปรึกษากันกับพวกอํามาตะทั้งหลายว่าเรารบที่ไหนก็แพ้ทุกทีรบที่ไหนก็แพ้ทุกทีนี่ทำยังไงทํำยังไงจึงจะเอาชนะได้เรียปรึกษากันใครดี ในที่สุดอมาร์ตก็บอกว่ามันน่าจะไปแอบฟังดูว่าพระท่านพูดกันยังไงบ้างพระเจ้าภเสนิกโกศลก็เห็นด้วยแล้วก็ส่งไอ้หน่วยสอดแนมเข้าไปไปในวัดนะครบแอบฟังว่าพระท่านคุยเรื่องนี้กันยังไงบ้างแอบฟังอยู่หลายวันก็ยังไม่เจอยังไม่ได้ยินพระท่านคุยกัน ต่อมาก็ได้ไปในท้ายวัดประเชตวันในทายวัดนั้นมีพระเถระอยู่สองรูปชื่อทันตะเถระกับพระธนุกหนาเถระถเกิดจำวัดไม่หลับขึ้นมาท่านธนุกานาเถระก็เรียกเพื่อนมาคุยกันหน่อยต่างคนต่างนอนไม่หลับมานั่งคุยกัน รู้สึว่าท่านก็เยอะๆพระเจ้าประเสนกศสนรบยังไงกับแพ้ท่านก็มาบ่นบอกเออพระเจ้าปเสนกูศนทองพลอยได้เรื่องไงกินเปลือกข้าวสุกรบแพ้เด็กได้น่าจะจับให้ได้ตั้งนานแล้วพระเจ้าชาติโจนี่ทีนี้เพื่อนก็ถามมาแล้วท่านทําได้เอ้ยสบายมากท่านบอกท่นบอกการรบแต่มันมีอยู่สมวิธีก็เรียกว่าจัดพายุหะคือปทุมะพยุหะ แล้วก็จักกะพยุหะแล้วกับสัรกระพยุหะเป็นเราต้องกาอธิบายวิธีจัดทับโดยเฉพาะท่านเน้นที่สักระพยุหะสักระก็คือเปลียนนะฮะจัดกองทับจัดพยุหะคือจัดกองทับแบบเปลียนมีลักษณะคือปล่อยให้เข้าไปทางที่โคลาค่ะทางทางแอกของเกวียนนี่ยจะปล่อยข้าศึกหล้วมตัวเข้าไปที่แอกของเกวียนตัวกระมังเองก็ซุ่มอยู่ทางด้านของเกวียน แล้วตัวกำลังหลักเองมันก็คือตัวตัวเกวียนนั่นเองที่จัดการในข้าสึกแต่จะคิดจะล็อกอะ่ะคิดจะล็อกคือคือปล่อยให้ค่าศึกเข้าไปในแอบของเกวียนแล้วพอรวมตัวแล้วก็ล้อมจะจับก็ไม่ได้คิดฆ่าอะไรนะคิดจับมาสอนนะท่านวาง ท, าท่านอธิบายเพื่อนฟังลั่นไปหมดเลยไอ้อมาดที่มาแอบอยู่ก็ได้ยินกลับไปเล่านพระเจ้าเประเสนิโกศลฟัง พระเจ้าปเนนสนในขุศนก็เอาตามแบบนั้นเลยใช้สกกตะพยุหะเลยคือรบจัดพยุหะจัดกองทัพแบบเกวียนแล้ในที่สุดก็จับพระเจ้าชาติศัตรูได้พอจับแล้วก็เอ า, าอบรมสั่งสอนน่ะ ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ทําอะไรเขาหรอกเอ า, าอบรมสั่งสอนให้สํานึกถึงความผิดอะไรต่างๆต่างแตเอาแม่แต่ทำเอาพ่อตายแล้วก็แม่ตรอมใจตายแล้วยังมาทะเลาะ ก, กันลุงอีกไอ้ก็มาอบรมสักพักหนึ่งทีแรกท่านก็ปล่อย แล้วก็คืนบ้านอะไรต่อะไรให้เป็นของขวัญแล้วก็แถมลูกสาวให้คนด้วยพิสูจนทั้งหลายก็อสนธนาก็ในเชิงในเชิงตำหนิบ้างก็เชิงยกย่องบ้างก็แล้วแต่ว่าใครจะมองนะฮะในการที่พระตนุกาณาเทราท่านพูดในลักษณะนั้นก็แล้วแต่ใครจะมองบางองค์บอกหมายลงตานี่เก่งจริงวางแผนในพะระเจ้าปเสนในกุศลที่เชิงท่านคุยกองท่านนะ่ะแต่ไม่ได้วางแผนให้หรอกพระพุทธเจ้าเสด็จมา รับสั่งถามว่าคุยกันเรื่องอะไรภิกษุก็กราบทูลให้สงทราบก็บอกว่ารับสั่งเล่าว่าธนุกาณะนั้นไม่ใช่เป็นนักวางแผนในปัจจุบันชาติก่อนแม้แต่เกิดเป็นหมูก็ยังเป็นนักวางแผนนี่เลยแล้วก็เล่าอดีตชาดกให้ฟังว่านายช่างไม้คนหนึ่งไปพบหมูป่ามาตัวหนึ่งลูกหมูป่าก็มาเลี้ยงจนคุ้น คุณแล้วต้องฝึกปลือจันกันขนาดเราช่วยจับไม้เส้นบรรทัดอะ่ะคือก็ตีไม้มื่อกีก่อนน่ยตีเส้นบรรทัดได้เลยแล้วก็ใช้ไปฆ่าไปเครื่องมือมาได้เลยฝึกจนจนเก่งมากอะพอโตมันก็เลี้ยงดูแบบลูกก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คิดจะเอาไปแกงไปขายไหไรพอโตขึ้นมาแกก็เป็นห่วงเจ้าของหมูเองก็เป็นห่วงกลัวว่าหมูจะถูกฆ่าหรือใครจะมาแอบฆ่า แล้วแกก็นําหมูไปปล่อยในป่าของที่หมูก็อยู่เลยหมูตัวนี้ชื่อว่าวัตกีเว็บแปลว่าช่างไม้นะฮะวัตกีนี่ก็แปลว่าช่างไม้ใ่ไปถึงไปปล่อยไว้ในที่นั้นหมูตั้งหลายก็เข้ามาแสดงการต้อนรับนะแล้วก็ติดต่อสอบถามการประสาหมูก็รู้ว่าก็อยู่ที่นี้กันเป็นส่วนมากแต่ว่า แกดูเพื่อนเพื่อนทุกตัวแล้วผอมๆไม่มีมันนีามว่าเป็นไงไปเร ก, ก็บอกว่าที่นี่เสือมันมากินจับหมูกินทุกวันเลยก็ทาให้ความหวาดกลัวเนี่ย ต, ตัวหมูเจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่แล้วแกก็บอกว่าทำไมทำไมจึงไม่สู้หมูตั้งมากมายทำไมจึงแพ้เสือตัวเดียวได้เสร็จแล้วแกก็วางแผน วางแผนที่จะฆ่าหมูตัวนี้ฆ่าเาสือตัวเนี้ยถามว่าเสือมันมาอย่างไงเวลาไหนอะไรแต่ไรเสร็จเกําหนดจัดขบวนจัดขบวนคือขุดหลุมไว้สองด้านตัวเองไปอยู่ระหว่างหลุมแล้วก็เอาพวกหมูทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุม่มเอาพวกลูกหมูกับแม่หมูนี่ไว้ข้างในไว้ข้างในแล้วก็ตั้งกองกระขาล้อมล้อลอม้อเรื่อยจนเอาหมูเขี้ยวหมูถึกเขี้ยวใหญ่เนี่ยไว้เป็นเป็นเปลือกนอกเป็นเปลือกนอกเตรียมปะทะเวลา เสือเข้ามาก็ให้หมูพวกนี้สู้แล้วก็หมูตัวใหญ่ๆก็ออกไปอยู่ข้างนอกอีกเจ็ดสิบตัวไปตั้งเตรียมล้อมแล้วแกเข้าไปอยู่ตรงกลางที่ก็แบบแบบเกวียนฮนะอยู่ที่อะไรชะนะเกวียนที่ที่อะไรที่ที่เขาเตรียมโคอ่ะที่เขเตรียมโคของเกวียนแอบของเกวียนอ่ะก็ให้ขุดหลุมไปสองด้านขุดหลุมไปสองด้าน เสือมาพอเสือมาเนี่ยพวกแกแกก็สั่งให้หมูพ อ, พอเสือมองหมูก็มองด้วยเสือทําอะไรหมูก็ทําด้วยไอย้หมูบอกไอ้เสือบอกไอ้ชาจะไม่ได้เรื่องไหนพวกนี้มันผิดกันวันก่อนเลยไม่กล้าเข้ามากลับพอดีก็มีชะดินโกงชะดินโกงก็คือพวกนักบวชที่มันอยู่ในคราบของนักบวชแต่ว่าจิตใจก็มีแต่ทุจริตก็เห็นเสือกลับไปไม่ได้เรื่องก็สอบถาม ได้ความเช่นนั้นตัวเองนั้นเคยกินเสร็กินเลยอะก็เสือกินหมูไม่หมดตัวเองก็เอาเนื้อไปต้มไปกินวันนี้เมื่อเสือไม่ได้กินตัวเองก็จะอดด้วยเลยก็ยุให้เสือใหม่เสือมาก็มาตัดสินใจพอกระโจนมาเนี่ยกระโจนมาต้องการจะจับไอ้วัตกีเนี่ยมันก็พุ่งมาแรงอะ่ะวัต ก, กีวิ่งล้มหน้าไปวิ่งล้มหน้าไปลงหลุมข้างหน้าอันนี้ก็ตกหลุมข้างหลังเสือก็ตกหลุมข้างหลัง พอตกลงหลัลงพวกนี้มันก็หานกลับมาถึงกับแทงเลยกีดตายเลยกีดตายเสร็จแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวการไอ้นักเลงใหญ่อยู่เบื้องหลังไอม้มงอยู่เบื้องหลังไอ้มงนี่มันมีมาตั้งแต่โบราณนะแม้แต่หมูสัตว์ยังมีอยู่ไอม้มงเลยพวกนี้ก็ยกพวกไปจัดการกับไอ้ชะดินชะดินรู้ตัวแกกันหนีนะแต่หนีพวกนี้ก็ไล่ไปหมูเป็นฝูงไป่ะ ไล่ไปทันในฉดินก็วิ่งขึ้นบนต้นมาเดือ่ออาวตะกี้รู้ข้าวก็สั่งไอ้ลูกหมูขุดดินไอ้หมูที่เขี้ยวยาวตัดรากไม้ขุดดินตัดรากไม้ขุดก็ขุดพอเจอรากไอ้ตัวเขี้ยวก็ตัดตัว เ, เขี้ยวตัดตัวเล็กก็ขุดไปหมูหนุ่งๆก็ขุดอ่ะเขี้ยวยังไม่ยาวก็ขุดพวกเขี้ยวยาวก็ตัดรากพักเดียวเลยพังอต้นไม้พังฝังก็รื้อสิอพอจะดินหล่นลงมาแกก็แทงตายก็ ต่อมาหมูก็อยู่กันได้อย่างสบายพระเจ้าก็ล่าว่าในตอนนั้นน่ในสมัยนั้นพระองค์เองเป็นรุ ก, กเทวดาอยู่ก็ดูเห็นเหตุการณ์ตลอดแล้ก็นึกชมเชยหมูตัวนี้ว่ามันเก่งมันเก่งมันฉลาดนำพาหมูคณะสามารถต่อสู้กับเสือได้แล้วก็กล่าวคาถายกย่องสรรเสริญการกระทาของหมูจึงจึงจึงมี เรียกว่ามีมีหมูที่มีปัญญาอยู่ตัวเดียวแต่ก็ช่วยให้หมูคณะเป็นนั้นมากรอดพ้นจากอันตรายไปได้แล้วก็สรุปชาดกว่าห ม, วหมูวัตกีในคราวนั้นก็มาเป็นท่านธนุ ก, กาณะในบัดนี้รุกเทวดาก็มาเป็นพระองค์ก็สรุปชาดกเพียงสองเพียงท่านนะฮะที่จริงก็คนเยเอะเรื่องนี้ที่จริงก็ออกไปนอกวัดยะ แต่ก็มองให้เห็นอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันแต่การแรกก็คือเรื่องราชวงศ์สมัยโบราณนัานจะบว่าแนวของอารยันอารยันนั้นก็คือต้นตอของพวกยุโรปพวกยุโรปก็เผาพวกเผา่าอารยันนะฮะก็อยู่แถวไอ้ทีลท่ลทะเลสาบแคสเปีนเปยนอพยพแยกย้ายพวกนั้นก็แตกออกเป็นสองกลุ่มตั้งแต่ก่อนพศประมาณ 5,000 ันปี เพราในพื้นฐานความคิดมันปลูกฝังไว้มันคล้าย ๆ, ๆกันเราจะเห็นว่าเอเซียเรานี้จะถือจะถือชาติกษัตริย์มากเลยเ ห, หมายความมากษาัตริย์ไทยจะไปแต่งกับกษัตริย์ลาวไม่ได้เลยแต่ไหนเนี่ยแต่ยุโรปเขาไม่คือคือแนวความคิดนี้เราจะพบว่ามันก็มาถึงอินโดนีเซียวงอสัญญาคือมันแต่งกันได้หมดเลยในวงในเจ้าเกาะกี่เกาะ ก, ก, กี่บ้านกี่เมืองมันแต่งกันได้ วันยุโรปเองก็ก็แต่งกันไปยุ่งกันหมดเลยนะฮะทำให้มันเชื่อมสายโยงใหญ่ในราชวงศ์ต่างๆผูก พ, พันกันแล้วก็ช่วยเหลือกันดังนั้นพวกอารยันเผ่า น, นี้ที่เข้ามาอยู่ในอินเดียมันก็แนวเดิมอะแนวความคิดเดิมคือพยายามที่จะเชื่อมสายโยงใหญ่กันไว้อย่างราชวงศ์โกริยะกับราชวงศ์ศักยะเราจะเห็นว่ามันก็เชื่อมกันมาตลอดเลยก็เป็นพี่เป็นน้องนับไปนับมาไม่รู้ใครเป็นใครเลยเรียกยากไปเลย แต่ว่าที่สำคัญก็คือก่อให้เกิดเป็นพวกเดียวกันเป็นวิธีอย่างหนึ่งซึงจึงจึงโบราณก็ใช้กันมาเรื่อยๆแล้วก็เมืองไทยเราก็รับวัฒนธรรมอินเดียนะฮะรับวัฒนธรรมมาจากเผ่าอารยันไม่ใช่ของอินเดียอินเดียวัฒนธรรมมาเกิมีแหละก็ทำให้เราได้แนวคิดหลายอย่างที่เรารับมาจากเขาเช่นกษัตริย์เราสมัยโบราณก็ใช้วิธีนั้น มิถีที่มีพระสะนมมากๆเอาลูกเจ้าเมืองมาเป็นพระสะนมมาอะไรเนี่ยมันก็ปูกพันธ์กันไว้ราชวงศ์สองราชวงศ์ของแพนกาสีกับโกศลเป็นราชวงศ์ใหญ่นะฮะระดับมหาราชในสมัยนั้นทั้งก็ปูกพันธุ์กันมาอย่างนี้แต่ตามหลักฐานบาลีเองก็สืบไปแค่พ่อพระเจ้าพิมพิทฐานกับพ่อพระเจ้าประสิทธิโกศลข้างบนเป็นใครก็ไม่ได้พูดถึงเพราะเป็นคนยุคยุค ก, ก่อนนะฮะเอ่อ ท่านก็เกี่ยวข้องโยงใญ่กันดูดูให้ดีนั้นพระเจ้าประเสรนิโกศลก็ไม่รู้เป็นอะไรของกับพระเจ้ า, าชาติัจูนะฮะคือจะเรียกว่าลุงก็ได้เพราะว่าพนางโกศลเทวีนั้นเป็นน้องของพระเจ้าอาชาติศตรูแต่ในขณะเดียวกันจะเรียกว่าอาก็ได้นะฮะเพราะว่าเมียของพระเจ้ามาเหสีของพระเจ้ า, า, รจาประเสรนิโกศลนั้นเป็น อาของพระเจ้าชาติตรู <c oughs> คือก็แลกน้องสาวกันสององค์เนี้ยเลยก็ไม่รู้เรียกยังไงแต่สรุปว่าเกี่ยวข้องโยงใหญ่กันในชั้นหนึ่งก็สร้างความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างราชวงศ์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นพวกกันก็มีสายสายใยยึดเหนี่ยวน้ําใจแต่และฝ่ายเอาไว้มีอะไรแรงๆมันก็พอหนักเป็นเบาได้คือไม่ถึงก็ยกทัพไปฆ่ากันตอาเหล่านี้ได้จริงท่านรกนบกันบ่อยแต่รบเพื่อสอนนะฮะ มีอะไรกําเริบเสือบทสารแล้วก็จับมาอบรมได้ทีหนึ่งแต่ก็ไม่ไมรู้ข่าวว่าข้าวฟันอะไรกันนะเพียงแต่จับไปทอนนั้นเองจับมาก็เรียกมาอบรมสักปักหนึ่งแล้วก็ปล่อยข้าวคั่นนะฮะจริงๆสมัยโบราณเนี่ยข้าขั่นสมัยนี้รบอะไรนิดๆหน่อยๆก็ตายกันเยอะเลยต้องเขารบเป็นสงครามจริงแต่ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยรู้ข่าวเรื่องตายไม่ค่อยมีหลักฐานเรื่องการตายก็เตรียมเนี่ยเตรียมจัดพายุหา่าเพื่อจะจับท่านั้นเอง แต่ทนี้พระนางโกสลเทวีบางแห่งที่เรียกว่าเวเทชินะครบางแห่งเรียกโกศลเทวีเข้าใจว่ากโกสลเทวีคงเรียกตามชื่อท่านชื่อจริงๆคงน่าจะเป็นเบเทชิโกศลนั้นเป็นชื่อของแควนนั่นเองคือเอาชื่อเมืองมาเรียกคนเนะ่ยเป็นพระเทวีที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าประสิทธิ์ที่พระเจ้าพิมพิสารมากนะครับ แลท่านที่เคยไปอินเดียท่านคงจะนึกนะฮะมัททะกุจิมรุกทายวันที่อยู่เชิงภูเขาคิจกูดอ่ะเป็นที่ที่พระนางโกศลเทวีไปคือตอนตอนตอนอะไรตอนทรงพระคันน่ะตอนทรงพระคท่านเกิดแพ้ท้องอยากดื่มเลือดพระเจ้าพิมพิสารจนจนจนถูกความหิวนี่กัดกร่อนใจจนผอมเลยไม่กล้าพูด พระเจ้าพิมิสารพอรู้ข้าวท่านก็แทงเลือดให้ดื่มเลยแทงเลือดจากพระชงให้ดื่มแล้วก็พอหมอทำนายบอกว่าลูกคนนี้จะฆ่าพ่อนางก็กลัวว่าลูกจะฆ่าพระเจ้าพิมพิสานก็เลยอแอบหนีเข้าไปในป่าแล้วให้นางทาสีเหยียบคันก็จะจะให้แทงอะแต่ว่าก็หัวแข็งกเกินไม่เป็นไรพระเจ้าพิมิสารรู้ข้าก็สั่งห้ามไม่ให้ทํา ท่านท่า น, านต้องการให้ลูกเกิดมาลูกจะฆ่าก็ฆ่ า, าท่านก็ให้ความรักทนุทนองไม่ไม่มีความแหน่งใจพระเจ้าพิมพิาสานี่เป็นเป็นเป็นพระราชาที่เรียกว่ามีอุปนิสัยท่านเห็นว่าเป็นคนมีอุปนิสัยที่แปลกท่านพบพระพุทธเจ้าคราวแรกในท่านเห็นทางหน้าต่างเนี่ยสร้งให้อมาต์วิ่งตามไปเลยก็ศรัทธาเลื่อมใสตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์บวุตรใหม่ตอนหนีมาใหม่พระเจ้าพิมิาสารองค์แรกที่เข้าอบอุ่ม เฝาไปเลยพอเห็นกเิดทั้งเกิดชอบมากเลยศรัท ธ, ธามากให้คนแอบบสะกดรอยตามไปก่อนตามมาจนถึงภูเขาปันดาวะรู้วประทับอยู่ที่นั้นแน่แล้วท่านก็ไปไปเฝ้าเลตอนนั้นที่จริงพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะฮะเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งแล้วก็ไม่ท่านเองไม่รู้ว่าเป็นเจ้าชายด้วยท่านเรื่อมใสแต่นั่นเองไปเฝ้าด้วยความเคารพเต็มที่เลยนั่งรถไปพอถึงบริเวณใกล้ลงจากรถเดินด้วยพระบาทไลวงพระอะไร แล้วก็ดูถึงแนวความคิดของท่านนะครับแดูความปรารถนาของท่านท่านปรารถนาแปลกมากเลยแต่ความปรารถนาของท่านหข้อเนี่ยหนึ่งขอให้ได้รับอภิเสกเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงราชเจ้าครึบทานั้นเองนะครัสองขอให้พระหันผู้สัตว์ดีสัตรู้ชอบด้วยพระุงเองสเสด็จมาอย่างแว่ดแพร่งของพระองค์3ขอให้พระองค์ได้เข้านั่งใกล้พระอระหันต์ผู้สัตว์ดีสัตรู้ชอบโรงนั้น แล้วก็สี่ก็ดูจะเห็นว่าเป็นเรื่องพัฒนาจิตตลอดเลยสี่ขอให้พระราหันพระองค์นั้นแสดงธรรมแก่แก่ท่านแล้วก็หขอให้ท่านได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระราหันนั่นนะดูโล ก, กทัศน์ของคนที่มันมีบา ร, รมีนะฮะปราถนาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่นั้นเองแต่ว่าเอาเอาอย่างเดียวจากนั้นแล้วต้องการธรรมะแล้วสี่ข้อนี่เป็นเรื่องธรรมะหมดเลยต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเองเพียงหนึ่งข้อแต่ว่าต้องการผลประโยชน์ที่เป็นธรรมะ คือผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมนะครับก็สรุปว่ารูปธรรมเพียงเพียงข้อเดียวแล้วก็ที่เป็นธรรมะถึงสี่ข้อเออทั้่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็ผิดกระพรของนางผุดสดีนางพุดสดีนี่เป็นห่วงเป็นใหญ่ตัวเองนะคือต้องการให้ตาสวยต้องการให้สวยผิวสวยต้องการแม่แก่คือมันมันทะนุถนอมตัวเองเยอะแต่ของพระเจ้าพิมพ์สารไม่อย่างนั้นไม่มีความละเมียดละไมแสดงถึงอัธยาสัยนะครับ แสดงถึงอัตยาสายจิตใจของคนที่ไปตั้งความปรารถนาแม้พอรู้ว่าลูกจะเป็นกระทำปิธุคาาก็ไม่อะไรยังคงรักทนุถนอมเลี้ยงดูเอาใจใส่เต็มที่เลยไม่มีความแหน่งใจแต่ความแหน่งใจความระแวงความหวาดกลัวไม่เกิดขึ้นถึงเราจะเพราะว่าในโฉมหน้าประวัติศาสตร์มีกษัตริย์บางองค์รู้ว่าผู้มีบุญจะมาเกิดในสังฆ่าเด็กเป็นหมู่บ้านหมู่บ้าน เห็นพระเจ้าเฮโรสที่สมัยรู้ข่าวว่าเยซูเกิดอ่ะมันจะเป็นใหญ่สั่งฆ่าคนเด็กตั้งแต่สองขวบลงมาอีกเลี่ยงเลยนะลูกพระเจ้าเกิดยังไงไมันรู้ลากเด็กตายเป็นเป็นเบือเลยเกิดไว้ยไงมันเอาเด็กตายเยอะแยะหมนี่นี่นสแสดงถึงว่าใจมันหยาบมากเลยาทาั้งที่จริงไม่จริงไม่รู้นะฮะไปฆ่าแล้วแล้วฆ่าอะไรเด็กเพื่อเกิดใหม่ไปฆ่าเด็กตั้งแต่สองขวบลงมาได้ไงเด็กเกิดใหม่มันก็น่าจะจะเอาเฉพาะเกิดใหมนะ่ แล้วเรื่องราวเหล่านี้เราจะดูในประวัติศาสตร์จีนอะไรยนะเยอะเหลือเกินนะสแสดงว่ากษัตริย์เหล่านี้เข้มเกลียด ม, มากพระเจ้าพิมพิสารกลับมีพื้นที่จะรับอะไรนะจำนวนบาลีเขาเรียกาพาชนะทองรองรับน้ำนมไกรสอนราชสีคือพร้อมท่านพร้อมที่จะรับเลยพร้อมที่จะรับธรรมะแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละอะไรก็ได้แม้แต่ชีวิตแต่ว่าตัวเองจะไม่ยอมทําบาปตัวเองจะไม่ยอมทําบา และที่น่าตั้งเกตตัวอย่างหนึ่งนะฮะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนมาเองแล้วรู้สึกทึ่งยังไงชอบคนะฮะคือท่านมีพระโอรสที่ดังๆอยู่ในสามองค์สององค์นั้นแม่เป็นโสเพณีตัวเป็นนักขณะโสเพณีฮะเป็นราชกุ ม, มารที่ทวงศีลทรงธรรมดีเหลือเกินฮะเป็นบิดาบุญธรรมของหมอชิวโก ม, มารพัชนพระเจ้าอภัยอภั ย, ภยราชกุ ม, มาร ที่ลูกที่แม่เป็นโสเภณีนั้นเป็นลูกที่ดีตลอดชีวิตที่เป็นทรองเรือนอยู่แล้วออกบวชบรรลุอรหรัตและดึงแม่ที่เป็นโสเภณีกลับมาบวชเป็นพระอรหันต์หมดทั้งคู่เลยไอ้ลูกที่แม่เป็นขัตยานีคือโกศเดวีหรือเวติหิตเนี่ยข้าพ่อเลยตามปีตุคาสเลยนี่เป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดมากได้ว่าอ่ะน่าคิดมากแล้วก็ยุติกะหลักของพระพุทธเจ้าว่าไอ้ความดีความชั่วของคนไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดแต่อ ย, อยู่ที่การกระทําแต่นั้น แล้วก็พื้นอัธยาศัยส่วนหนึ่งนะฮะที่ติดมาแต่กำเนดพนันโกสลเทวีนั้นได้สแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าปัเสพระเจ้าพิมพิสารจนจนสเสด็จเยี่ยมเนี่ยสเสด็จเยี่ยมเรามองแล้วสัทกสะท้อนนะฮะอ่านแล้วความห่วงใยความอาลัยกันทั้งสองพระองค์เนี่ยเข้าเยี่ยมมาก่อนก็นำอาหารไปถวายพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่สิน้นไม่ที่วงคคนสักทีหนึ่งตัดอาหาร นางก็ซ่อนเข้าไปในผ้าหม่มคน้นพระเจ้าอาเจ้าจูสั่งคน้นคนแม่นะไม่ให้นามอาหารเข้าไปไม่จะทํำยังไ <_ t ans> ทงท่านก็ลงทุนอาบน้ํชาชำระร่างกายสะอาดเอาไว้พวกข้าวต้มยาคูทาผิวผมผ้าไปให้พระเจ้าพิมิสารเรียเอาเรียเอาจนในที่สุดห้ามคน้นและห้ามข้าเลยลูกชายห้ามเยี่ยมพ่อเลยท่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะ โตกเศร้ากันมากและในที่สุดพระเจ้าพิมพิสาตอนนั้นท่านเปลี่ยนเป็นโสดาบันแล้วท่านเป็เดือดร้อนอะไร ห, หนักพระพิมพิสารเดินจงกรมไม่ไ ม, ไม่ที่วงค์ขดพระเจ้าชาตตูต้องเอาให้ช่างเอาผ่าเอามีโกนมากรีดพระบาทเราเกลือราดเลยเดินไม่ได้ทีนี้ที่วงค์ดเลย <laughs> อันนี้ก็บอกว่าเป็นผลกรรมนะฮะจากการเคยอดีตการท่านเคยสวมรองเท้าเข้าไปในลานพระเจดีย์ระวังระวังหรือมั่งก็ดีเหมือนกันนี ให้มันท้าเปื้อนอย่าให้ดีกว่าใจมันเปื้อนนะฮะคือเท้าเปื้อนมันล้างได้ใจเปื้อนมันล้างยากหน่อยเพราะงั้นก็เกลือเหนียวไว้หน่อยเวลาข้าไปเจดีอะไรแต่ไรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าอย่าสวมรองเท้าก็ไปแล้วเป็นดีที่สุดแล้ทีนี้การกระทําของพระเจ้าชาตรูในคราวนั้นไม่ใช่พระเจ้าพิมิธะไม่ใช่พระเจ้าประสิทิี่โกศลพระองค์เดียที่ไม่พอพระไทยพระเจ้าจันประโชดเองนะฮะก็ไม่พอพระไทยมากจันประโชดแห่งกรุงอุเชนีเป็นพระทหารกันนะ คือกษัตริย์เหล่านี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะเป็นราชกุมารรุกเดียวกันเป็นราชกุมารรุ่นเดียวกันแล้วก็ดูจะรู้จักเกียรติคุณกันรู้จักเกียรติคุณด้วยกันเพราะว่าเป็นนักศึกษาที่มีศิละปะามาสมบับกษัตริย์เด่นเด่นฮะเด่นเด่นทุกอง พระเจ้าจันรประโชดนี่พระเจ้าชาติตัวกลัวมากนะฮะท่านที่เคยไปอินเดียคงจะเห็นว่ามันมีกำแพงกั้นอยู่บนภูเขาที่กรุงราชครืดนะคีรีบปพปะชะเป็นจักรีนั่นพระเจ้าชาติตัท่านกลัวพระเจ้าจันประโชยจะยกวังทับมาเอาเอาสร้างกำแพงบนภูเขาเลยกลัวมากแต่พระเจ้าก็ไม่รู้ข่าวว่าข้ามานะฮะคงจะเกรงพระไทยพระพุทธเจ้าอเมธไม่กล้ายกข้ามา ทนใ น, ในการรบนั้นเราจะพบว่าพระเจ้าเสอร์เซนพระเจ้าประเสฐนิโกศลนั้นเราคือความพยายามท่านต่ํากว่าอีกฝ่ายหนึ่งฮะเพราะท่านรบเพื่อจะนําหลานมาลงโทษไอหลานมันดิ้นเพราะกลัวจะถูกลงโทษนะฮะมันก็ดิ้นมากกว่าคนจับจะใช้ได้แรงน้อยกว่าคนดิ้นก็ใช้กําลังใช้ความพยายามมากกว่ายังไงยังไงในความพยายามละ คนระดับกันแล้วก็จเจาชนะได้ยากและอีกอย่างหนึ่งก็ท่านก็แก่ก็เข้าใจว่าคงจะรบกันเฉพาะสององค์อะ่ะทหารก็คงจะยืนดูเท่านั้นเองเ พ, เพราะเพราะลุงจะเอาหลานไปลงโทษเท่านั้นก็สู้หลานไม่ได้ทีนี้ถ้าพูดถึงพระสององค์นั้นดูชื่อท่านนะท่านพระอัตตกะถาจาไม่ได้ให้รายละเอียดว่าท่านเป็นใครแต่ดูชื่อนี่ถ้าแดงว่าเป็นขุนศึกนะมาก่อน เป็นแม่ทัพทางธนูทางยิงธนูก็ชื่อบอกว่าธนุกกหนะคือผู้ถือธนูแปลว่าผู้ถือธนูแต่นั้นเองแสดงว่าเป็นแม่ทัพนายกองใหญ่มาก่อนเพราะพระเรายิแย่นะฮะไปบวชไปบวชแม่ทัพนายกองบางทีขุนทหารออกไปเป็นพันๆน่ะก็ทําให้บ้านเมืองแย่ไปเหมือนกันมาออก พ, ดพลดปลดไปอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็พบในยุคหลังเช่นในประเทศลังกาก็มีคราวหนึ่ง ตอนพระพุทธศาสนาเข้าไปใหม่ๆเนี่ยแม่ทัพในกองบวชกันเยอะเลนจนกําลังทางบ้านเมืองมันอ่อนแอไปทามินจากทามินนาดูจะมาบึมบึมกันอยู่ทุกวันเนี่ยมาคราวนั้นแหละมาคราวสมัยพระเจ้าวัตถกาม่ีอภัยมายึดลังกาได้พระเจ้าวัตกา ม, า ม, ากาากาม่ีต้องหนีเข้าป่าเลยแล้วก็พระไปเลี้ยงไว้ไปอยู่กับพระในในป่านั่นพระก็เป็นเลือดยังไม่ได้บรรลุอารหัตแต่ก็เลือดเลือดสิงหคนเนี่ยในที่สุดพระศึกเลย ศึกมาจัดทัพเองเลยยึดเมืองยึดเมืองถว า, ายพระเจ้าวัตถกาเป็นอียภัยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกรบทั้งเป็นพระนะฮะศึกศึกไปก่อนมาจัดทัพรบเองไงตีทมินแตกไปแล้วก็องอบหมายบ้านเมืองให้ท่านก็กลับบวชต่อตัวแม่ท้าบได้บรรลุอรหัตเลยแสดงว่าในในเนี้ยมันมันคือคนหลากหลายนะีในวัดเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้ในด้านธรรมะนะแต่ว่าข้างนอกบันทีท่านเก่งมาแล้ว่ท่านเก่งมาจากข้างนอกแล้ ว, ท, วท่านมาบวชท่านั้นเอง เาคุยกันแล้วก็พูดถึงพายุหักแ้ดูลักษณะของพายุหันั้นก็เคยพบมานานแล้วนะครว่าแนเราเนี่ยเมืองไทยเรารู้สึกจะเอามาเรียนเหมือนกันยังจัดแบบปฐุมะอปฐุมะพายุหัคือดอกบัวนะฮะดอกบัวปฐุมะก็คือดอกบัวคือปลายมันแหลมจัดแบบปลายแหลมก็ใกล้ๆพระเจ้าตากศิลตีทัพออกจากกรุงเสียยุธยาอะก็เป็นปลายแหลมพระองค์เองก็เป็นยอดเป็นยอดดอกบัวแหลม ก, ก็แทงเข้าไปอย่างนี้ทีนีไ้ไอ้บัวแหลนเนี่ยหมายความว่า เ, เรียกว่าบัวตูมนะฮะบัวตูมมันก็พุ่งไปอย่างนี้ได้สมมติว่าค่าสึกเข้ามาแบบบัวตูมฮะเราก็เป็นบัวบานบัวบานก็เป็นคีมหนีบเขาหนีบเขาแล้วก็บีบตัดให้แคบขา้าวกันในที่สุดเราก็ชนะได้ทีนี้อย่างอย่างแบบไอ้ไอ้สักตะวันยุหานั้นบางครั้งเราอาจจะอาศัย อาศัยอะไรอาศัยช่องเขาเป็นเป็นแอกก็ได้ช่องเขาเป็นแอกปกติสมัยโบราณ ก, ก็ใช้ช่องเขาเป็นหลักช่องเขาหรือราวป่าที่ป่าทึบนะฮะแล้วก็มีช่องหนึ่งเป็นแอกตัวแอกตัวแอกเวียนนะแอกแแ อ, แอคู่เนี่ยก็สุดมันก็ถลําเข้ามาช่องสอรเราก็แอบตีเอาไว้ยทหารน้อยนะชายทหารน้อยทีนี้สมมุติว่ามันรุกเข้ามาเต็มที่มันก็อัดด้วยไ อ, อตัวเรือนเกวียนซึ่งเป็นกองใหญ่อยู่ตรงนั้น อาจโดยควาเริเ่มเปลียนแล้วก็บีบข้างข้างนั้นตัวแอกเนี่ยล้อมไว้ก็จับได้จะใช้แบบสกกตตาปยุหามันก็จับได้เรื่อยจักจกับ้างก็คือลักษณะหมุนท่านเห็นว่าจับ ก, ก็จะเอาตัวประชาชนคนที่มีกําลังน้อยไว้ข้างในเหมือนกับพวกดุมพวกกงทั้งหลายเนี่ยจะเอาทหารที่มีกําลังไว้เป็นล้อข้างนอกเป็นกองตัวข้างนอกที่จะกั้นแล้วสมมุติว่าพอเจอมันมันมันมั น, มนกำลังข้าสึกบันแรงจกักเรต้องหมุนนะฮะ ต้องหมุนเอาทหารที่แรงเข้าไปไ ป, ไปไปยันตรงนั้นแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อเพื่ อ, อะปะทะไว้อย่าให้ไอ้กงมันหักสมมติว่ากองหักกองหักมันมั น, ม, นมันก็ต้องสลายเกือแบบอะไรแบบไข่แบบแบบแบบกลนะฮะจะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเขาในช่วงตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ไม่อธิบายไม่อธิบายแบบสอนแต่ก็ และจะเห็นว่าไม่ตําหนิแต่ก็ไม่ยกย่องไม่ตําหนิไม่ยกย่องเพราะเพราะไม่เชิงกิจของพระแต่วิแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปแนะนําเขานะฮะจะไปตําหนิก็ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของของพระที่จะไปแนะนําเอาก็จริงเราก็ตําหนิทําไม่ได้เพราะทำไมได้แนะนําแต่บางทีนั้นพระพุทธเจ้าก็เอาเอาอะไรลักษณะทางทหารเนี่ยเอาสงครามล้นล้วนเนี่มาสอนแบบธรรมะ ตอนแบบธรรมะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะเราที่จริงมันก็สงครามนะฮะสงครามท่าจารย์บอกว่าการให้ทานกับการสงครามเนี่ยเสมอการการให้ทานกับสงครามเสมอการเอาพื้นฐานข้างล่างที่จริงมันทุกอย่างแหละมันก็เป็นสงครามคื อ, ค, อ, ค, อคือกว่าจะเอาชนะได้เช่รเราต้องการจะให้ทานกว่าจะชนะไอ้กิเลสความหวงความสนิทได้เนี่ยโอ้ยสู้กันจังเลยตีเราแพ้บางทีเขาแพ้อะไรตัวไหนเนี่ย ถ้าเขาแพ้เราก็ให้ได้ถ้าเราแพ้ก็เก็บไปในกระเป๋าก่อนแล้วก็ให้วันหลังอะไนี่นี่คือการต่อสู้ทางใจทีนี้เออเวลาเรานั่งสมาธิทั่นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นสงครามอย่างหนึ่งบางทีรบกันมาตั้งหลายปีแล้วเอาแกไม่ได้เลยตั้งกร ม, มาฉันอุย้ยเป็นห่วงเป็นใจรถจอดยังไงเด็กจะมาเล่นในรถหรือเปล่ามัขีดรถไว้ที่บ้านไม่รู้เป็นยังไงมั่งตอนนี้ไม่ไปล่อยวิ่งหายไปเลยเป็นห่วงเป็นใยนะเป็นห่วงเป็นใยมันก็อยู่ในนิวรณ์นี่ นี่แสดงว่าเราก็สู้เขาไม่ได้ในเป็นสงครามอย่างเนี้ยพระเจ้าทรงแสดงลักษณะของทหารที่จะรบในสงครามว่าจะต้องฉลาดในในในสีเรื่องที่จริงผังจริงๆนะฮะของเขาแต่พรเจ้าเอามาใชา้ในแนวธรรมะคือหึงฉลาดในชัยภูมิสองยิงได้ไกลาสามยิงได้ไวสี่ทำลายขุมกำลังคาดศึกได้การรบสมัยก่อนนะฮะรบสมัยนี้ก็คือกัรนะี้ถ้าทําได้อย่างนี้ชัยภูมิเราดีกว่า ชัภูมิดีกว่าใช้คนน้อยเอาชนะคนมากได้นะยิงได้ไกลยิงได้ไกลมันก็ตัดกำลังข้าศึกตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็ยิงได้ไวไมากกว่ามาข้าศึกประดาเข้ามาเนี่ยเรายิงสกัดไว้ได้โดยคนของเราไม่ไม่เป็นอันตรายแล้วทําลายขุมกำลังข้าศึกก็พิชิตได้พระเจ้าทรงเอามาเป็นอุปมาในการสอนว่าเวลารบทัพคือกิเลสภายในใจเราเนี่ยเป็นสงครามใหญ่เราต้องมีชัยภูมิที่เหนือกว่า นั่นก็คืออะไรคือมีศีลมีศีลท่านจะเห็นว่าศีลเนี่ยมันมันมันมันมั น, ม, นมันล็อกกิเลสอ่ะทำให้กิเลสโตไม่ขึ้นกิเลสโตไม่ขึ้นตราบใดที่เรายังมีศีลเราจะพบว่าอย่างดีโลภแค่ภายในแต่เองออกมาข้างนอกไม่ได้เพราะศีลมันจะล็อกไวอ่ะแกคืนโลภมากเลยไปขโมยก็ผิดศีลข้อหนึ่งอะข้อสองอ่ะเห็นไหมโลภมากก็ต้องจํากัดไว้แค่นั้นแหะแค่ภายในใจอย่างดีก็อ๋อไวแต่อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากได้ไป ตราบใดที่ศีลไม่ศีลไ อ, อ, อทำนบศีลมันไม่พังลงเลยกิเลสมันก็โตไม่ขึ้นแสดงว่าชัยภูมิเราพร้อมที่จะรับข้างบนคือรับสมาธิได้หรือว่าเกิดความโกรธอะไรขึ้นมาก็ตามท่านจะเห็นว่าถ้าศีลเรายังมีอยู่ศนะีลยังมีอยู่เนี่ยไม่ต้องเอาศีลปานาขาดเอาขนาดด่างท้อยก็ไม่เกิดจนว่ายุงกัดมากโกรธจังเลยนะรำคาญนอนไม่หลับเปเงื่อมือจะตก ไม่ตอบเพราะว่าศีลมันยังอยู่นะฮะเวเวลาที่เราทําแรงไปแสดงว่าศีลมันไปไปแล้วนะศีนไปไปแล้วศีนไม่อยู่แล้วดังนั้นชัยภูมิสําคัญเป็นฐานใหญ่ในการต่อสู้กับอารมณ์คือกิเลสก็คือศีลนะศีนชั้นไหนก็ตามที่จริงก็ศีน5เป็นศีนหนักอย่างที่บอกนะฮะศีนห้านั้นกระจายตัวเองออกไปเรื่อยๆแม้แต่ศีล8ศีล227ของพระเนี่ยฮะ หรือศีลของพิษุณี311็ก็คือกัสนนะ่จริงๆมันก็ฐานใหญ่บางอยู่ที่ศีลหแตกลูกแตกดอกออกไปมันมีความปานนี้ขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็ยิงได้ไกลยิงได้ไกลนั้นหมายความว่างไงหมายความมาคาดหมายผลที่จะเกิดในชีวิตอนาคตนะฮะชาลาทมอมหิจรังอนาติโตนั้นเป็นการยิงได้ไกลอย่างหนึ่งนะที่จริงตอนนี้เรายังไม่ชราเท่าไหร่นะฮะ แต่เราบอกว่ารเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้เพราะนั้นความแก่ยังไม่เกิดนะคาดหมายผลที่จะเกิดในอนาคตได้ก็ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะดังนั้นในการที่เราสอนสอนให้สวดรูปไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกรูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนรูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรานี่นี่ก็คือการหยิงได้ไกล มองเห็นสังขารทั้งหลายเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปวันนี้ไปเผาศพเพื่อนก็มองดูว่าเออวันหลังฉันจะตามไปนะคิดในใจนะไม่ต้องบอกเขาหรอกคิดในใจวันหลังเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกว่าเอวังธ ร, รมโมเอวังภาวีเอวั ง, ววงนติโตนั้นมีอย่างธรรมชาติเป็นอย่างนี้ภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นั่นคือยิงได้ไกล นะ อ, ยอย่างบางคนเราจะเห็นว่าเตรียมหมดเลยนะเขียนพินัยงพินัยกรรมเสร็จมอบหมายอะไรเสร็จเลยนี่ยิงได้ไกลเรียบร้อยสบายลอยตัวตายวันไหนก็ได้ไม่เป็นปู่โสงเเพ้าทรัพย์อยู่บางคนนี่ไม่ยอ ม, มนอนกอดสมบัติอย่างนั้นเนะกอดสมบัติแต่พอตายแล้วกลายเป็นปู่โสงเเพ้วทรับยไปไม่ได้ให้ใจมันเหนียวเป็นห่วงเป็นใ ย, ยตัง้งไม่ได้นะไ อ, อ, อ, อ้เรื่องเรื่องนี้ต้องทําใจให้สบายถ้าสมมุติว่าเวลาจะตายเนี่ยใจอย่าเป็นเหนียวะ บางทีเราจะเห็นว่าพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีมีองค์หนึ่งแกปลูกอ้อยไปท่า น, นั่นเองฮะปลูกอ้อยไว้อ้อยกำลับบงโตก็ บ, บังหน้ากินเนี่ยก็นอนลมพัดโชคก็โชคก็โชคต้นอ้อยเนี่ปลิวมาแล้วท่านแม่อยากกินอ้อยคนป่วยอะ ก, กินอ้อยเสียดายปลูกไว้แล้วไม่ได้กินก็ไปคิดเ่าตอนที่จะตายอ่ะพอตายปั๊บเกิดเป็นหนอนเลยเป็นนอนติดอยู่ในอ้อยนั่นเองกว่าอายุหนอนจะตายจากพระไปเป็นหนอนน่ะ ว่าในใจกระหวดใจไปผูกพันเนี่มันมีเรื่องเยอะนะฮะมีคนหนึ่งคนดีๆนะฮะเห็นหมากินอาหารดีกว่าตัวเองตัวเองหิวข้ามมาในบางต่างนี่มันกินเป็นหมานี่มันดีนะมันดีกว่าเรานั่นมันกินข้าวดีกว่าเราใจกเกิด น, นิยมในเพศหมาพอกินข้าวไปแล้วตัวเองก็เป็นลมตายใจผูกพันกับหมาเกิดในท้องหมาหายไปเลยดงนั้นไอ้นี่เนี่ยเอนนอนนถ้าใจเรายิงได้ไกลเนี่ยเราจะปล่อยวางอะไรได้ ปล่วางอะไรได้ไม่ไปยึดไปถืออะไรแล้วก็เตรียมรับเผชิญหน้ากับ อ, อันตรายต่างๆในชีวิตจิตใจมันก็จบายครับเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้อะไรตายนี่พวกยิงไกลเท่านั้นนะฮะมันยังไม่ถึงอ่ะตายก็ยังไม่ถึงพรลาดก็ยังไม่ถึงแก่ก็ยังไม่ถึงนะฮะถึงแก่ก็ยังยังมีแก่กว่านี้อีกวันหน้าเนี่ยเราก็เตรียมรับไว้หมดนี่คือยิงได้ไกลหมดเลยคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตแล้วก็ทําให้จิตใจสงบได้อย่างที่ ท่านศาลาทุบบแจมท่านแต่งเป็นคำกรอนว่าคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารมันทงมืดโมหันอันตรการทําให้หานหายสะดุ้มไม่ยุ่งใจสบายนะสบายแล้วก็จิตใจเองก็สงบไปจะยิงได้ไวอ่ยิงได้ไหวหมายความว่ารู้ไอ้นี้เหตุแห่งความทุกข์ไอ้นี้เหตุแห่งความสุขรู้แล้วนะก็รู้กันทั้งนั้นก็รีบรีบลงมือประพฤติปฏิบัติ หรือแม้แต่ในชั้นทั่วๆไปเมื่อกุศลและเจตนาบางเกิดขึ้นต้องรีบทำนะอย่าลืมว่ากุศลเจตนาไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆตามปกติใจเราก็ไหลไปตามกระแสของกิเลสอย่างที่ว่าพอกุศลเจตนาบังเกิดขึ้นต้องรีบทำที่เรียกว่าทําด่วนๆ ท, ทําีในขณะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปอย่างที่มีบาสกท่านหนึ่งนะฮะ ท่านมานิมนต์พระพุทธเจ้านิมนต์พระโมคคัลลานะไว้นะฮะให้นิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยพอดีมันมีปัญหาว่าพระเจ้าต้องเสด็จไปอีกแข่งหนึ่งก็ขอเลื่อดวันเข้าไปแกบอกว่าท่านเลื่อนก็ได้แต่ขอให้พระพุทธเจ้ารับประกันแกสองอย่างว่าให้แกยังมาศรัทธาเหมือนเดิมไอ้กแล้วก็โพคคาแกอย่าไ ด, ได้เสื่อมไปในช่วงที่พระพุทธเจ้ายัางไม่เสด็จกลับพระพุทธเจ้าบอกรับบองบอรับสังว่าโพคะนั้นตาถาคต ร, รับรองให้ได้ แต่ศรัทธาเธอต้องรับรองเธอเองอรับรองให้ไม่ได้มันจะตาหัวต่อโปรโปรฟังงั้นเธอต้องรักษาไว้เองว่าวันหลังอีกเจ็วันข้างหน้าเนี่ยก็ยังศรัทธาที่จะถวายอยู่กันเด็กก็ไม่แน่ล่ะคนบางทีก็ตกปากรับคำอะไรแต่ไรแล้วจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผลุท้ายมันมันตกไปแสดงว่าพ่ายแพ้เพฟัะงั้นพอเห็นปั๊บรีบทำทันทีในแง่ของพุทธศาสนาอย่างที่ท่านบอกว่าพวกพัดเดกรัตโตนะฮะแม้แต่มีวันเดียวก็เจริญเนี่ย ว่าความเพียรพยายามให้รีบเร่งทํำจะในวันนี้อย่าไปผาดวันประกันพรุ่งพรุ่นี้อาจไม่ได้ทะพรุ่งนี้อาจไม่ได้ทาไ ม, ไ, ทไม่รู้เคือว่าระหว่างเรากับความตายเนี่ยไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่เพราะงั้นบันึกอะไรจะทำอ่ะค่อยปีหน้าค่อยวันหน้าค่อยเดือนหน้าไม่ค่อยอ่ะพระเจ้าไม่ให้ค่อยอ่นะรอก่อนช้าก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเนี่มันมันมันมั น, ม น, มนล่าช้าอืดอาจตัดโอกาสของโอกาสทองของตัวเองจนถึงกับ ปฏิบัติตามอาริยมร์นะฮะให้รู้อริยสัจสี่ในขณะนั้นๆในขณะนั้นนั้นก็สูงแล้วนะฮะสูงไปแต่ว่าเราก็ออกข้างล่างข้างล่างนี่แหละหมายความว่ารู้ทางเสื่อมก็ เ, เว้นทางเสื่อมกันในขณะนั้นเลยรู้ทางเจริญลงมือประพฤติปฏิบัติในทางเจริญในขณะนั้นทันทีทันใดนี่เรียกว่าพวกหยิงได้ไหวนะไม่ใช่เสือปืนไว้นะที่จริงจำนวนเสือปืนไวมันก็ใช้ได้นะ จำนวนปัจจุบันที่เราใช้ในวงธุรกิจอะไรนักฉกฉวยโอกาสดูแล้วถ้าฟังแบบโบราณนครับมันมันมันน่ากลัวแต่จริงหมายความว่าใช้ใช้ปฏิบัติงานทุกอย่างให้สอดคล้องกับโอกาสที่มาถึงเข้าก็เรียกว่าทำงานเหมาะเจาะแก่การนั่นเองแก่ลักษณะทางอารมณ์แก่การต่อไปก็ทำลายคุมกำลังค่าศึกได้นะครับ กุ้งกำลังค่าศึกใหญ่นั้นอย่างที่บอกว่ากิเลสทั้งหลายมันแตกโดนแตกดอ ก, ดอกไปเฉยๆเอ <c oughs> เราลองดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะตอนเนี้ไม่มีคําขวัญคําขวัญวันเด็กสากล น, นะฮะกับอะไรวันเด็กแห่งชาติเมืองไทยนี่มันแก่คําขวัญจริงไงคําขวัญยังจํากันไม่ได้เลยเปลี่ยนคําขวัญอีกแล้วเลยไม่บรรลุเป้าสักเป้าหนะึ่งคำขวัญนั้นวันก่อนเนี่ยมีงานของราชการแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเขาเอกสารมาให้ดูแล้วไอ้เป้าประสงค์เขาจะพัฒนาบุคคลภายในชาติขึ้นมาเนี่ยประชากรที่พึงประสงค์เนี่ยพัฒนาห ข, ข้อไอ้7ข้อด้วยกันม า, ปาไปอ่านเสร็จมาวันนี้เขียนทำไมามากเขียนไปมากนี่คนเขาไม่ชอบนะทํามากๆคนก็รับทต่เองก็ชอบมากๆแต่เวลาเขาให้ทำก็เขาขอทําน้อยๆเพราะงั้นต้องมีต้องมีอะไรที่เป็นเป้าไว้นะครับว่าบันไดขั้นแรกเนี่ยมันเริ่มน้ําหนึ่งตรงไหนนะ เอามาสรุปให้ฟังไงทั้งเจดข้อของเขาเนี่ยใช้คําว่ารับผิดชอบตัวเดียวเท่านั้นเองรับผิดชอบตัวเดียวเท่านั้นเองแล้วมันเดินหน้ากับมันได้ได้นะฮะคนพอรับผิดชอบตัวตัวเองเวลานี้ตัวเองเป็นนักเรียนก็ต้องรับผิดชอบในการเรียนเวลาทำงานก็ต้องรับผิดชอบในการทํางานเวลาไปเดินถนนก็ต้องรับผิดชอบต่อกฎจราจรเวลาขับรถก็ต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายอะไรตัวนี้มันออกไปเองมันแหละออกไปเองในเชิงพฤติกรรมจะ่าไปนับตัวเลขไงมากคนนับตัวเลขมากคนเขากลัวพระพุทธเจ้าเวลา สแสดงเทศมา45ปีมาเหลื อ, อประมาณเดนา่าจำปาเดทาเต๋อทั้งหลายยังยังประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นในสมบูรณ์ในความไม่ประมาทเถิดจบแล้วได้จากศูนย์นี้นะฮะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นธรรมะ 84,000 เลยไม่ต้องหยจจุดไม่ประมาทคําเดียวตอนนั้นเนี่ยไม่ประมาทคำเดียวเราจะกระจายตัวเองไปหมดเลยเพราะไม่ประมาทสมบูรณ์นั้นคือพระอารหันต์านั้นเองไม่ประมาทสมบูรณ์ก็คือสติสมบูรณ์นะ สติสมบูรณ์ก็คือพระอาหา ร, ะระหรันต์อรหนเรียกว่าสติวิปุโรคือมีความภัยบูรณ์แห่งสตินี่คือวิธีวิธีของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นคนมองเห็นก็ไม่มากไม่ประมาทตัวเดียวสบายมากที่จริงพอไม่ประมาทปั๊บเ่มันปรับตัวเองหมดเลยปรับเดินไปแล้วก็ล็อกเอาไว้ไม่ให้เราหาักไปในทางของอกุศลกิเลสมันก็เหมือนกัน กิเลสจริงๆนั้นรากใหญ่บมโหฬารพันลึกนั้นคืออวิชานะฮะอวิชชาตัวเดียวเท่า น, นั้นเองแต่ทีนี้อวิชชาเนี่ยพูดแล้วอธิบายยากะะอธิบายยากมันขอบข่ายมันขนาดไหนก็ไม่รู้พรุทธเจ้าก็เอาที่มันหยาบขึ้นมาพูดจะโลภะโทสะโมหะเลย น, นะฮะพูดบ่อยเลยโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะในพูดอยู่สองเนี่ยสองชุดเนี่ยรัดสั่งยังไงเพราะเป็นภาพที่เห็นได้ง่ายนะฮะโลภะทำปฏิกิยาต่อจิตชัดโทสะ แผดเผาชัดมากโมหะเองก็ยังอึมครึมอยู่ทั้งๆที่มันเป็นต้นรากใหญ่แต่เราก็มองมองคล้ายๆไม่เห็นโทษประจักษ์ไม่เห็นโทษประจกักษ์เพราะในชีวิตคนเนี่ยมันในความรุนแรงแบบโมหะเนี่ยมันมีน้อยมันจะรุนแรงแบบโลภะกับโทสะรุนแรงอย่างโลภะกับโทสะอย่างเราลองดูวาลักที่จริงมันมันมันก็มีโมหะเจืออยู่นะฮะมีโมหะเจือ อย่าเรามองมอ ง, มองแนวความคิดหรือว่าพฤติกรรมของคนคนไทยเราแหละฮะคนไทยเรานี่มันเป็นฐานที่จริงมันก็เป็นสัตว์โลกนะคนไทยเรามีลักษณะอย่างหนึ่งที่ซึ่งแปลกและไม่ทราบจะแก้ยังไงอย่างเง้ยนคือหมายความไอ้ความโลภที่คลองใจเนี่ยมันมักจะออกมาเพี้ยนๆอะ่ะเวลาเพื่อนร่ำรวยขึ้นมาจะมีวิธีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งคือไปปล้นให้มันจนทีลย เราเราไปดูชาวนาไปเห็นได้ชัดเลยฮะพวกนี้ขายข้าวมาเอาพอขายข้าวเสร็จมาไม่ตันถึงบ้านจนปล้นแล้วครับบางทีเขาราชการรับเงินเดือนยังไม่ได้ถึงที่หมายเลยมันปลน้นไปแล้วครเอาขายยางมาเพื่อนปล้นแล้วขายอะไรก็ทำาเพื่อนปลน้นนี่คือความโลภที่มันล้นนะมันเพี้ยนออกไปไปถึงล้างอีกฝ่ายหนึ่งให้มันจนลงเพื่อตัวเองจะได้รวยแทนเพื่อตัวเองจะได้รวยรวยแทนนี่ใหา่มากอีกวิธีหนึ่งนั้นใครรวยกับอะไรฉันขอรวยกับอย่างนั้นด้วย เราลองดูตั้งแต่ฐานสังคมข้างล่างเลยปลูกสับ ป, ประรดปลูกมันนา ป, ป, ปลูกแอปเปิลปลูกไอ้กล้วยปลูกกล้วยหอมอะไรขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็บากมาใหม่ไปไปบ้านจัดสรรมาเอกขึ้นมาทาวเฮาคอนโดมิเนียมห้างสปปรรพสินค้าโรงหนังสร้างรถสร้างโรงสีคือหมายความมาเห็นเพื่อนรวยกับอะไรนะแล้วเราขอรวยอย่างนั้นด้วยโลกที่มันมีโมหะอยู่แยะโลกที่มีโมหะอยู่แยะ ทีนี้ถ้าเรามองเป็นเป็นรูปธรรมมาแล้วแล้วเราย้อนกลับก็มาหานามธรรมว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะ ว, ว, ว่าความโลภมันจัดแต่ไม่ได้นึกว่าในเมื่อคนซื้อก็จํากัดจํำเขี่ยอย่างเนี้ยถ้าคนขายมันเกิดมากขึ้นของมันจะขายได้น้อยลงแล้วราคามจะต่าลงอ่ะทําไงและในทสุดมันจะเจงอ่ะดังนั้นก็ก็หาของเล่นใหม่กันเรื่อยๆแตแล้วแต่ใครจะเล่นอะไรอย่างว่า มันนอกที่ก็าสร้างโรงสีเล็กกันคาหนึ่งตั้งหลายนี่ก่อกนะสร้างโรงสีเล็กกันจนจนจนสีฟรีเลยจนสีฟรีเลยเอาเฉพาะลำอย่างเดียวไม่ได้คิดค่าสีเอาขนาดนั้นกันฮนะทีนี้มันก็เจ๊งไม่รู้เรื่องอนะ่ะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้มันแข็งห้างห้างสรรพสินค้ากันที่จริงมันยังเหมือนเดิมนะฮะยังเหมือนเดิมคือหมายความมาเห็นคนนี้มันรวยกสิ่งนั้นตัวเองก็อยากแกรวยด้วยเป็นพฤติกรรมของโลภะ แต่ว่ามีอวิชชาคลุมอยู่ข้างหลังนะครเราไม่ได้มองผลจริงๆไม่ได้มองให้ตลอดสายว่าอะไรก็ตามถ้าเราทำเหมือนกันในกรณีของชีวิตนะคทำเหมือนกันแล้วจะมีความขัดสนขึ้นในจุดหนึ่งคล้ายกับว่ากองทัพราษฎรไปจุกช่องอยู่ในที่หนึ่งหรือว่าทหารไปจุกอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งมันจะเปิดช่องโหว่อีกจุดหนึ่งแล้วอันตรายก็จะเกิดขึ้นในจุดที่เราไม่ได้ไปตรงนั้นนะ มันจะเกิดความอัต ค, คัดความขาดแคลนนะฮะแล้วก็ความตกต่ำขึ้นซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากอวิชชาที่ทำให้เราไม่รู้น ะ, ะดังนั้นเราจะพบว่าการมองไอสิ่งที่ที่มันมีอยู่ในโลกบางครั้งก็พูดไปในแนวตรงตรงตามนั้นนะฮะแนวตรงตรงตามนั้น ถึงก็พูดกันท่านท่านพูดกันในแง่วิชาการนะพระสองค์เนี่ยท่านพูดกันในแง่วิชาการท่านจริงๆ ร, งรงท่านก็คงไม่รู้หรอกบ้ามีคนมาแอบฟังอยู่อะต่อไปก็มาถึงที่เล่าชาดกมาจริงพยายามหลบชาดกเรื่องสัตว์พูดได้นะฮะก็ไม่เอาเรื่องสัตว์พูดได้มาเล่าแต่ว่าสัตว์พูดได้นั้นถ้าเรามองในแนวไหนละ่ะถ้ามองในแนวพระสัพพัญยุตยาน หมายความภาษาศัพท์ก็ก็ส่งภาษาศัพท์ติดต่อแบบสัตว์แต่ตอนพระพุทธเจ้าเล่าพระพุทธเจ้าเล่าโดยพระญาณของพระองค์เล่าโดยพระญานของพระองค์เพราะงั้นพระองค์ก็รับสั่งไปเลยพระพระองค์รู้ว่าไอ้การกระทําอย่างนั้นของสัตว์นั้นทํำยังไงไอ้การเรียนรู้ภาษาสัตว์เยอะท่านพระเจ้าพิมิสารเองรู้ภาษาคนประหลัต์ดพ้ะพิมิสานนะครคนพูดคนตะโกในท่านรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงเลยที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องกุมะโกศก่ะกุมะโกศกเป็น ลูกเศรษฐีที่พ่อฝังทรัพย์สมบัติไม่ให้แล้วตัวเองกลับมาโตเป็นหนุ่มแล้ไม่กล้าขุดนะรัวก็จะหาว่าขาโมยของหวงเที่ยวไปรับจ้างปลุกคนให้ตื่นอยู่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงรับสั่งอันนี้เสียงเศรษฐีเนี่ยคนนี้เป็นเศรษฐีไปดูอะไรเป็นคนในป่าประกาศว่าลงทุนวิสูจน์กันเยอะเลยกว่าจะได้คือคื อ, ค, อคือเป็นวิชาเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เรียนได้นะที่รู้ได้แล้วพระเจ้านั้นเป็นมีประสัทพันยุตยานก็ ถ้าเรามองในฐานนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ติดในรูปแบบนะว่าวิธีการเหล่านี้ถ้าเราเรียบเรียงเป็นภาษามันก็ออกมาอย่างนั้นนะฮะออกมาอย่างนั้นว่าต้องมีการปรึกษามีการตกลงกันและอีกชั้นหนึ่งนั้นเราไม่สนใจในรูปแบบขนาดนั้นแต่สนใจว่าไม่ได้สนใจว่ามันพูดได้หรือมันพูดไม่ได้นะฮะแต่สนใจว่ามันพูดยัง ไ, ดยงไงพูดยังไงไม่สาคัญนะฮะสนใจมันพูดยังไงแต่นั้นเอง นั่นคือเนื้อหานั้นคือหลักที่จะนำไปใช้ในชีวิตของคนได้เพราะงั้นไอ้วัตกีสุกรนะฮะหมูที่ชื่อวัตกีเนี่ยเราจะพบอย่างหนึ่งว่าสัตว์ในหมู่สัตว์ทั้งหลายนั้นสัตว์ที่ฝึกดีแล้วจะมีค่าในหมู่คนก็เหมือนกันเพราะหมูวัตกีนั้นที่มันเด่นกว่าคนอื่นคือมันอยู่ในสำนักมันจริญเติบโตมาด้วยการฝึกปรือ ปรืออบรมกันมาจากช่างไม้เกี่ยวข้องมากับคนซึ่งปผิดกับหมูป่ามันก็เรียนกับหมูด้วยกันเน่ยเรียนกับหมูด้วยกันแล้วก็หมูตัวหนึ่งมันมาเรียนอยู่กับคนเพราะงั้นเมื่อเมื่อไปอยู่กับป่าหมูมันก็ฉลาดกว่าหมูทั้งหลายที่เขาบอกว่าเหมือนกับอะไรล่ะฮะกลางทุ่งกลางทุ่งแม้แต่ต้นไม้เล็กๆมันก็เป็นเจ้าทุ่งได้นะเป็นเจ้าทุ่งได้เพราะว่าทุ่งนั้นมันมีหญ้ามันมีหญ้าไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่ มีต้นไม้ขึ้นมาต้นหนึ่งมันก็กลายเป็นเจ้าทุ่มได้หรืออะไรอีกอีกจำนวนหนึ่งประเไทยเรานะฮะเดีพูดบอกว่าเป็นอะไรน ะ, ะเป็นหัวหมาดีกว่าหางราชสีหัวหมาดีกว่าหางราชสีคื อ, ค, อคือเราเราใหญ่ในในที่เล็กนะฮะดีกว่าเราเล็กในที่ใหญ่ก็สามารถสัมเดงวิชาความรู้ความสามารถของตัวเองได้แล้วเราก็ดูถึงถึงเมตตาจิตของคนที่เลี้ยงสัต เนีเพราะว่าจิตใจของคนบุคคลบางคนก็ผูกพันกับสัตว์เหมือนก็เลี้ยงแล้วมันก็ลูกนะเคยเคยเคยอ่านพระธรรับของในหลวงที่ท่านพูดเรื่องตอนนั้นรู้สึกจะปราณินนะฮะรับสั่งเรื่องปราณินท่านบอกว่าเลี้ยงมันแล้วก็เหมือนกับลูกก็เต้าเราไม่กล้ากินมันก็เลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็เหมือนกับลูกไปนะฮะรู้สึกก็เหมือนกับลูกก็ไม่กล้ากินมันไอจิตใจของคนเราที่ผูกพันกับสัตว์บางครั้งมันก็เกิดด้วยเมตตาอย่างนี้ เตืนว่าพ่อค้าคนไอ้ไม่ใช่ช่างไม้คนนี้ก็ ก, ก็ก็มีจิตใจเอื้อเฟือ้อจิตใจเอื้อเฟื้อดีแทนที่ว่าหมูโตไปแล้วจะไปขายท่านก็ไปปล่อยทีนี้การกระทําของหมูวัดทกกีเรจะเพราบว่าสัตว์สัตว์เดชานั้นมันมีความกลัวมีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวแล้วก็มีความระแวงภัยนะฮะเป็นพื้นสัตว์เป็นพื้นอัตยาสายของสัตว์ าการจัดวิธีต่อสู้นั้นวิธีป้องกันอันตรายความฉลาดของสัตว์ความลึกซึ้ ง, งคมขายของสัตว์เนี่ยพระเจ้ายกย่องจอมปลวกให้มากยกย่องบ่อยๆเลยเกจอมปลวกเนี่ยพระเจ้าเราสั่งเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดมันทำอะไรได้วิจิตพิสดารเราลองดูบางทีสัตว์นะเมื่อวานเนี่ยก็เด็กมาที่นี้กันสักสองส้คนเวลาแกฟังบอกว่าเนี่ยเราอย่าถือว่าเราเก่งนะบางทีเนี่ย นกกระจาบทำรังเนี่ยเราเราทำไม่ได้นะทำเรียนแกนไม่ได้แสดงว่าบางเรื่องไอ้ศัตว์มันก็เก่งกว่าเราเยอะเลยทามีความเฉลียวฉลาดเนี่ยจบสถาปนิกวิศวกรอะไรอะไรมาเนี่ยทำรังนกกระจาบไม่ได้สู้นกกระจาบไม่ได้ฉลาดเลยเกิดไม่รู้ทำยังไงแล้วเราไปยิงเราจะถอดไอ้ไอสายอะไรอะ่ะอย่าให้ขาดใบไม้ที่แกสารเข้าเป็นรังนะอย่าให้ขาดยังถอดยากเลยทำไปนะเราถอดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ว่าในความฉลาดในหมู่สัตว์ในการจัดวิธีต่อสู้ในลักษณะนี้ถ้าเราไปสังเกตในหมู่สัตว์ในหมู่มดอะไรตายนะถ้าเราไปนั่งในแนวศึกษานะนั่งดูวิธีหรือไปดูปลาดูวิธีศึกษาวิธีต่อสู้ป้องกันมีอันตรายรู้ไหมแต่ว่าเขาย่อนเบ็ดขึ้นมาในสัตว์บางตัวก็มีวิธีกินโดยกินเนื้อกินกินอะไรกินเหยือหมดฮนะโดยไม่แตะเบ็ดเลยเราดูน้าใสๆเราจะเห็นว่าความฉลาดของสัตว์มือม่อเมื่อเมื่อบรรยายออกมาเป็น เป็นภาษาคนๆมันก็ได้ในลักษณะนั้นหมูวัตตะกีเราดูแกวางแผนวางแผนในแนวที่จะป้องกันสัตกตัวอื่นนะฮะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่สร้างปัญหาพราถ้าปล่อยให้หมูสเปะสปะจะไม่ไม่ไม่มาจัดแนะโดยเฉพาะลูกหมูซึ่งคุมไม่ได้เนี่ยทำไม่มาบล็อกไอ่ทาไม่มาล็อกแกไว้ข้างข้างในเสียลูกหมูวิ่งไปวิ่งมาเสือจับลูกหมูกินเน่ยไอหมูโตโตอาจจะไม่ถูกกินแต่ลูกหมูเนี่ยเพื่อมันจะกินเพราะงั้นก็เอาลูกหมูมาบล็อกมามาล็อกไว้ซะก่อน เก็บไว้ข้างในก็เป็นไข่แดงอยู่ข้างหนนะฮะแม่หมูก็ล้องไว้แม่หมูก็ล้องไว้แล้วก็ลูกหมูหมูหนุ่มๆมันก็มาการว้าอีกทีนึงหมูเคี่ยวยาวๆก็มาอยู่ข้างนอกเป็นเปลือกคุ้มไว้เปลือกคุ้มไว้สมมุติว่ามันมันเสือมาจะมาทางไหนก็ตามมันต้องประท่หมูใหญ่ก่อนหมดเลยประท่ามหมูใหญ่หมดก็โดนเขาหลายตัวนะฮะทีนี้ไอ้ไอ้จัดแบบเกลียนนี่เกลียนมันหมุนได้ <laughs> เกลียนมันหมุนได้นะหมุนได้สมมุติว่าหมูเข้ามาตรงไหนก็ตามนะ เวียนมันจะหมุนอะ่ะหัวมันจะหมุนมาแล้วจะจะบีบหมูไว้ไหนไม่ใช่จะบีบเสือไวไ้ในในวงล้อมนะวงล้อมของเปวียนที่วิธีฉลาดมากก็คือว่าไปอยู่ตรงกลางมีหลุมสองหลุมนะมันก็พุ่งมากลังแรงเพื่อจะให้ลงตรงนี้สมมุติเราพุ่งมาจะให้ลงตรงนี้แต่เราวิ่งสวนไปทางนี้เราวิ่งสวนไปมันก็ผิดเป้าที่เสือจะลงผิดเป้าที่เสือจะลงก็เตนที่สุดเสือก็ลงในหลุม ก็พวกนี้ก็จัดการได้นะฮะจัดการได้ถึงแม้จะเป็นหมูก็สู้เสือได้นั้นเพราะความฉลาดถ้าเรามองในเชิงของออทั่วทั่วไปว่าทำอะไรก็ตามนะคนที่ใช้ปัญญาแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวเล็กกว่ากำลังน้อยกว่าจะเอาชนะคนอื่นได้คนที่มีกำลังมากกว่ามีพวกมากกว่าได้ไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามนั้นมองมาในเชิงเรียกธรรมอาทิตฐานเราก็จะเห็น ว่าอันนี้มันก็เป็นเป็นภาพที่เป็นรูปธรรมตอนนั้นเองไม่ต้องไปติดใจนะฮะหมูพูดได้ไม่ได้ไม่ต้องไปตินะดใจเลยทีนี้การแก้ปัญหานั้นถ้าเราแก้ไม่ถึงไม่ถึงต้นต่อนะปัญหามันก็ต้องเกิดเรื่อยไปอย่างสํานวนสํานวนโบราณที่ท่านใช้กับว่าปัดสวะพ้นหน้าบ้านนะฮะปัดสวะพ้นหน้าบ้านทราบว่าใช้วิธีปัดสวะ มันก็ต้องนั่งปัดอยู่งั้นเนละเพราะสบะมันไหลด้วยมันต้องแก้ยังไงอย่าให้มีสบะเพื่อตัดปัญหาแนวแนวพระพุทธศาสนาเราจะพบว่าทุกจุดนั้นจะถอนรากถอนโคนนะของปัญหาเหล่านั้นดังนั้นในกรณีของหมูวัตสกีไฟูงหมูทั้งหมดเนี่ยไอตัวตัวเหตุจริงๆัก็อยู่ที่ตัวรูสีนะตัวรูสี แล้วเรามองว่าภาพจำลองชีวิตของมนุษย์ว่าไอพฤติกรรมของคนเป็นนั้นมากที่ปรากฏชงชางชงชางอยู่ตามหน้านังหรือพิมพ์ตามอะไรนี้ที่จริงไม่ใช่ตัวจริงอะ่ะเป็นเบไปรับใช้ก็อยู่ข้างหน้ากันนั้นเองไอตัวหน้ามันอยู่ข้างในเนี่ยเป็นใครไนุษย์เป็นไอโม่งอยู่ข้างหลังเนี่ยทีนี้สมมติเราจะจับคนเหล่านี้ขึ้นมาไอตัวไอโม่งยังไม่กระทบกระเทือนอะไรก็ต้องก็สร้างขึ้นมาใหม่ มันก็ต้องสาวไปให้ถึงต้นตัวสมุทัยจริงๆรงวันอยู่ที่ไหนหมูนี่ก็ฉลาดนะก็สาวไปถึงชดินต้องจะเดินในตัวนี้ไปคุมเสือไว้อ่าไปสั่งเสือไปบงังคับเสือมาให้ข้ามหมูเพื่อตัวเองจะได้กินเนี่ยเพราะถ้าจะแก้ปัญหามันต้องแก้ไปให้ถึงตัวเชดินเลยสาวไปถึงต้นสมุทยัยนี่ก็แนวที่เป็นรูปธรรมนะฮะหมายความว่าแก้ไปถึงเชดินท่านแนวของอริยสัจมันก็คือสาวไปถึงตัวสมุทยัยถึงเหตุจริ ง, รงๆเพราะทุกนั้นเป็นผลทั้งนั้นเอง ก็ไปแก้ที่ทุกมันก็แก้ไม่ได้เลยแก้ได้ก็เพียงบรรเทานะฮะตราบใดที่ตัวเหตุยังอยู่เราก็แก้ไม่ได้ก็สาวไปถึงต้นเหตุแล้วเราก็ดูวิธีที่เขาฉลาดกาฉลาดเป็นการร่วมมือกันเราเราไม่ต้องไปเอาไปใช้อย่างนั้นแต่เราเอาเฉพาะวิธีการนะฮะวิธีการว่าการทํางานนั้นถ้าเราประสานแล้วก็ใช้คนตามแนวโดยเขาถนัดก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีความรู้ความสามารถนะฮะ เหมือนกวัตตะกีใช้ไอ้หมูหนุ่มๆซึ่งเขี้ยวยังไม่งอกให้ขุดมันก็ขุดถนัดฮนะแต่ว่าจะขุดแล้วจะให้แกตัดกิ่งด้วยแกตัดไม่ไหวอนะ่ะเพแกไม่มีเครื่องมือตัดเพราะงั้นเวลาไปถึงไปไม่ใช่ไปถึงรากนะฮะไปถึงรา ก, กเอาหมูหมูที่มีเขี้ยวเข้าไปตัดนี่ก็คือถ้าถ้าเรามองคนนะก็คือหลักของอะไรปุริสมเมธะฉลาดในการเลือกคนในการใช้คนให้สอดล้องกับงาน สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของเขาจะทํางานใหญ่นั้นไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทํากลุ่มเดียวแต่ก็แบ่งกันกลุ่มนี้ใครถนัดะทํารับไปไหนกลุ่มนี้ก็ถนัดคนใครมีความสามารถด้านไหนก็ระดมเข้าไปใช้ในจุดที่เขาสามารถเป็นการประสานงานกันแล้วงานเล็กไม่ใช่งานใหญ่ก็กลายเป็นงานเล็กระบบความสมเหตุเหตุดได้นะฮะหมูสามารถพิชิตได้ทั้งเสือ ท, ทั้งคนในวันเดียวกันด้วยอาศัยปัญญาเมื่อเรามาสรุปแล้วว่าชีวิต จะเป็นคนรัต์ก็ตามจะต้องอาศัยปัญญาอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งเพื่ อ, อสร้างสรรค์ป้องกันแล้วก็รักษาชีวิตของตนเอาไว้นี่ก็เป็นเรื่องราวในวัตถกีสุขราชาดกก็ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเท